ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจไม่เกือก้อกูถ้ารู้ว่าหนูหนูมองว่าอุอจจาระใยวันนั้นมันติดที่หน้าผากถ้าก็เด็นติดที่หน้าผากเนี่ยหนูจะต้องรีบร้างทิ้งอย่างเร็ว ความโกรธความไม่พอใจมันเหนม็นยิ่โกว่จะอะไรมันสปกปรกยิง่งกว่าทำไมหนูมันสาดซึ่งแทรกซึมในความคิดตนูเลยพยายามถามจากบอานจริงจริงมันไม่ใช่ใช่ไหมจริงจริงมันไม่ต้องไปพยายามอะไรเลย ยังเดินมาใช้ปัญญาเข้าไปรู้ว่ามันมีประโยชน์เท่านั้นหนูยังไม่ต้องล้างมันก็นด้ให้รู้ว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มันเป็นโทษแกเราด้วยแล้วถ้าจะสมาทานหรือจกยึดถือไว้ก็ยึดถือไปแต่ให้รู้ว่านั่นมันเป็นโทษให้เห็นว่าเป็นเพราะความจริงมันเป็นแบบนั้นเราไม่ใย่เราไม่ใย่กล่อมใจตัวเองว่ามันมันเป็นของไม่ดีแล้วเปไปย้อนว่ามันดีมันไม่ใช่เพล มันไม่ใช่ทองคํามันไม่ใช่อั ญ, ญมณีมันไม่ใช่ของมีค่าและมันไม่ได้เกือกเก้อกูลกระแสนิยมคิดเลยปิดกั้นบีบคั้นเจ็บปวดทุกข์ไม่เห็นอะเลยรเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยก็เพียงรู้จักแล้วก็ารู้แล้วมันเกิดขึ้นมาก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้มันเกิดแค่นี้เอง ไม่มีวิธีการอะไรเพียงแต่ว่าเราอย่าไปเคลิ้มกับมันปพอคิดเรื่องนี้ทีไรก็บอกเอาเอามาปูงแต่งแล้วก็เพลินเพ้อไปกับมันเครียดไปกับมันก็แค่นี้เองที่มนุษย์มันมันมันละกันไม่ได้ก็ยังไปมัวเมากับมันไปเพลินกับมันปล่อยมันชักลากถูแต่มันบกการความคิดกองเราทั้งๆที่เรื่องนี้ผ่านไปกี่ปีแล้ว โอ้โหทุกครั้งที่คิดแล้วเครียดก็เชื่อว่าเรากำลังปฏิทุนไลตัวเองกหรือหนูรังเกียจตัวเองฉันจะทำลายมันอย่างเงี้ยไปอย่าให้ประสบคามทุขเด็กเลยเพราะฉันเกลียดตัวเองมันเป็นงั้นปเป็น คืออ่านไหมพูดเดืนเพราะจริงๆมันเป็นเหมือนทำการพมัคิดแล้วมันกระลังกระทบกระพ้อกระทบกระพ้อลเล่นตัวเองพ่อก็เล่นตัวเองตลอดพ่อก็เป็นให้เห็นแล้วอย่างที่พ่อเป็นแล้วก็เห็นตัวอย่างทําไมเราต้องไปทำตางพ่อก็เป็นแล้วไหก็เห็นดูว่เกียดขนะึ้นเกลียดขึไม่อยากมอง ไม่อยากได้ยินเสียงพอที่ยินทีลรมันย้อนแย้งมาแทงใจฉันไอ้สิ่งที่ฉันทำไม่ดีเขาไว้เขายังยังมันย้อนมาแทงเรียบหนูก็มีปฏิกิริยาใส่ใจอย่างนั้นไปเรื่อๆแล้วผูกันไปเรืย่ยเดี๋ยวไปในอัตภาพถัดไปก็เดี๋ยวหนูไปเป็นพ่อหนูก็ไ ป, ปทุบเขาแล้วหนูก็ฆาา่าเ้าเขาก็ฆ่าหนู ไม่ก็ไม่เป็นไรแต่หนูเป็นจะเห็นว่ามันยังเป็นประโยชน์ดีกเขาจองกันปะราคาเป็นเดี๋ยวกับหนูเห็นโทษเมื่อไหร่หนูก็ปล่อยมันเข้าใจใช่ไหมเหมือนไฟเนะี่ยถ้ามันไม่ม้หนูทำไงจำไว้ที้มพลาดเลยมันร้อนแต่ตอนนี้ไม่ร้อนเลยหนูไม่ร้อนเลย แล้วยังมันดีมีความสุขคิดตัวข้างมีความสุขไหมก็มันเลยให้ข้อคิดไว้ก็ลองไปวิจัยโอเคไหมสาธุจะค้างแค่นี้ กินเปแล้วอะห้ในตดูมือหน่อยทีมาใกล้ดูสองมือสวยอะไรเนีย ดีขึ้นกว่าเกา่าแต่ยังไม่ค่อยเปลี่ยนมาเร็วอยากให้เปลี่ยนเร็วกันแย่ต้องไปหาโกงต่อด้วยขับรวยขอดภัยนี้พระรัตนาตาัยคุ่มคลอง โทรหาท่านนัดไปหมดเดี๋ยวมาที่นี่เขาจะมาหานัดอยู่อยู่ที่นี่อีกนานเดีะย่าพึ่งไปไหนปัญหาแค่นี้กระจอกมากทำไมเล่นโดดแบบนี้ออกมาเนี่ยเพรา ก, กระจอกยังไม่อยู่ที่ไหนเลยทีไรทีไหนก็ไปไเป็นเหมือนกันนี่ ต้องมาหาปัญญาจากพระอาจารย์ก่อนไม่งั้นก็จมอยู่ความคิดถ้าไม่ได้เรียนเรงถ้าไม่ได้เรียนถ้าไม่ไม่รู้วิธีคิดก็ก็เป็นเหมือนกันนะมันไม่รู้หาทางออกไม่ได้